ท่านสาตุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ยังมาพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ในเรื่องราวของท่านธุระบรันดิตต่อไปวันนี้ขอย้อนสักนิดหนึ่งนะญาติโยมพุทธบริษัทเพราะว่าวันก่อนมาจบลงตอนที่ท่านธุระบรันดิตสแสดงธรรมสี่ข้อ คือทำที่ทำบุคคลให้เป็นคนดีย้อนนิดหนึ่งเพาภัยโยมนะถ้ามาเอินจะเผือเกินไปจะคิดว่าแม้น่ารำคาญต่นี่ย้อนหน้าย้อนหลังอยู่เรื่อยก็ทั้งนี้ก็เพื่อเรื่องภาษานกันเป็นว่าท่านกล่าวโดยอัดหมายความว่าหรือว่ากล่าวโดยพยัญชนะว่ากันภาษาไทยดีกว่าท่านกล่าวเป็นหัวข้อไว้ว่า หนึ่งเดินตามทางที่ท่านเดินไปแล้วสองอยาเผาฝ่ามือที่ชุ่มเสียสามยาประทุสรายมิตรไม่ว่าในเวลาไหนไนสี่ย่าตกอยู่แนวหนาาของพวกอิสตรี <c oughs> นี่ท่านว่า ย, ยอ่อๆไวาอย่างนี้ถ้าใช้อัตมาที่อธิบายก็รู้สึกว่างงๆเหมือนกัน <c oughs> งงยุบมากเพราะว่าปัญญาพระองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพ่าเจา้าอาตมาไม่มีทางที่เข้าไปเทียบได้เพราะว่าพระพุทธเจ้ามีปัญญาเหนืออาตมานับเป็นพันพันล้านเท่าหรืออาจจะเป็นแสนล้านเท่าอธิบายไปเองก็กลัวว่าจะผิดฉะ <c oughs> นั้นก็ขอบัรดาลญาติโยมจนฟังถ้อยคําพระองค์สมเด็จพระธรรมสามมิตร ซึ่งปุณลกยักษ์อาจจะไม่เข้าใจเมื่อจะมาเหมือนกันแล้วก็คงจะถามท่านวิธุรบัณฑิตก็คือพระพุทธเจ้าแต่ว่ายังไม่ได้บรรลุในตอนนั้น <c oughs> ฟังเรื่องของท่านต่อไป <c oughs> <c oughs> เมื่อปุณละกยักษ์ได้ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจหมายความความเข้าใจหรือไม่รู้เรื่องเอาเลยว่ไอ้เทศแบบนี้นี่ฟังไม่รู้เรื่อง ยังได้ขอให้วิท่านวิทุรบัณฑิตอธิบายเป็นข้อขอแหน่คอยฟังท่านญาติโยมนะให้ญาติโยมฟังท่านอาตมาก็ฟังเหมือนกันเพราะอาตมาก็คิดไม่ออกเอาเราเรียนด้วยกันก็แล้วกันนะญาติโยมก็กําลังศึกษาธรรมะสี่ข้ออาตมาก็กําลังจะศึกษาเหมือนกัน อาตมาได้บอกแล้วอาตมาในเวลานี้กำลังเป็นนักเรียนอนุอนบาลในพระพุทธศาสนาคือ <c oughs> ต้องถือว่าเป็นอนุบาลรุ่นจิว๋วไม่ใช่อนุบาลรุ่นใกล้จบท่านมีทุระบัณฑิตจึงอธิบายฟังเป็นข้อข้อดังต่อไปนี้ว่าท่านว่าบุคคลที่มีอุปการะคนอ หรือว่าผู้ที่ทำประโยชน์ให้ให้ก่อนชื่อว่าเป็นผู้ที่เดินไปขงหนีหมายถึงข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งที่เราบอกเดินตามทางที่ท่านเดินไปแล้วถ้าอธิบายอย่างนี้ว่าบุคคลที่มีอุปการะคณก็ดีหรือผู้ที่ทำประโยชน์ให้ก่อนก็ชื่อว่าเป็นผู้เดินไปข้ า, าผู้ที่รู้รู้สึกบุญคุณท่านแล้ว ก็ทำประโยชน์ตอบแทนท่านที่ว่าเป็นผู้เดินตามหลังท่านผู้ไม่คิดร้ายต่อผู้มีอุปการะคุณโดยที่ขท่านให้ข้าวให้น้ําแล้วก็เป็นที่แล้วก็ให้ที่พักพิงแม้แต่เพียงคืนเดียวผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้เผาฝ่ามือชุมเสียเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฟังใหม่ อธิบายอย่างนี้ว่าบุคคลที่มีอุปการะคุณหรือผู้ที่ทําประโยชน์ให้ก่อนชื่อว่าเป็นผู้เดินไปข้างหน้านะ <c oughs> นี่ท่านตอบท่านแก้ข้อที่หนึ่งแล้วท่านกล่าวต่อไปว่าผู้ที่รู้สึกบุญคุณท่านแล้วและทําประโยชน์ตอบแทนท่านชื่อว่าเป็นผู้เดินตามหลังนี่เป็นการแก้ข้อที่หนึ่งก็เดินตามบุกทางที่ท่านเดินไปแล้วนะเนี่ย ท่านแก่เก่งช้อนท่านเก่งและแตงววาผู้ที่ไม่คิดร้ายต่อผู้ที่มีอุปการะคุณโดยให้ข้าวให้น้ำและที่พักพิงแม้แต่เพียงคืนเดียวผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้เป็นว่าเผาฝ่ามืออันชุ่มเสียและก็ยังได้ชื่อว่าปทุสรายมิตรด้วย เพราะตามธรรมดาของคนดีนั้นความจริงข้อ น, นี้ควจะตกวก่าไม่ไหมอ๋อท่านว่าอย่างไงเพราะตามธรรมดาของคนดีนั้นคนดีนั้นแม้แต่ต้นไม้ที่เคยอาศัยร่มเงาก็ย่อมไม่หักก้านรานกิ่งเสียคนที่ประทุสลายมิตรนั้นจัดว่าชั่วชั่วชาสามาอย่างยิ่งโอ้โห อันหนึ่งหญิงใดรับการยกย่องเป็นอย่างดีจากสามีแล้วเมื่อมีโอกาสยังอาจดูหมิ่นสามีได้หญิงนั้นเชื่อว่าอสตรีคือไม่ใช่กุณสตรีเป็นคนเลวเนท่านอธิบายอย่างนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทพอฟังเข้าใจไหมความจริงอาตมาเองก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจนะ แต่หวังว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทฟังธรรมะมากคงจะเข้าใจแล้วก็ว่าเรื่องของท่านต่อไปถ้าบังเอิญไม่เข้าใจนะขอเทปที่เขาออกราดับถ่ายทอดก็ได้ <c oughs> เพื่อจะได้รับฟังไว้หรือไม่เช่นนั้นก็มาติดต่อที่วัดท่าสุงเขามีลมังเพ <c oughs> ราะว่าเจ้าหน้าที่เขากงจะบันทึกเก็บเขาไว้เพราะว่าเขาเก็บตุนเขาไว้อาตมาพูดอะไรไปบ้าง ทางวัดเขาเก็บไว้หมดทั้งนี้ก็เพราะว่าเขาท่านอาจจะคิดกันว่ามาตมาตายไปแล้วเสียงมันคงยังอยู่เ <c oughs> ยอะได้คัดเสียงที่มีประโยชน์เอาไว้ให้เป็นประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาคิดอย่างนั้นนะแล้วพระทุกองค์โดยมากท่านก็คิดแบบนี้เหมือนกัน <c oughs> เมื่อทําอะไรไว้แล้วท้านกเก็บตุนตุนเข้าไว้เวลานี้เสียงที่ตุนเข้าไว้แล้วคิด เป็นค่าของเงินหลายแสนบาทเงินนี้ได้มาจากไหนได้มาจากบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท่านให้มาเป็นธรรมทานคือว่าช่วยในการซื้อเครื่องบันทึกบ้างช่วยค่าเทปบันทึกเสียงบ้างอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงถวายเครื่องถ่ายทอดมาไว้หนึ่งเครื่องและก็คนโยมปิ่น แล้วก็คุณอภัยพวงทองท่านก็ซื้อถวายมาอีกอีกหนึ่งเครื่องและคุณโยมอะไรลืมชื่อเสียแล้วนะโยมอะไรก็ไม่ทราบรอีกท่านหนึ่งก็ได้พยายามซื้อเครื่องมาถวายหนึ่งเครื่องจะพยายามดูชื่อของท่านชื่อของท่านอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบรท่านเขียนชื่อก็ท่านมาจำชื่อทำไม่ได้เสียแล้ว คนมาคนไปเสียงค่มขามข่มามอ๋อโยมประสิทธิศักนะกลิ่นสนธนท่านก็ได้ถวายเครื่องถ่ายทอดเสียงไม่หนึ่งเครื่องเครื่องแต่และเครื่องนี้ถ้าซื้อใาประเทศไทยก็ราคาประมาณแสนเจ็ดหมื่นถ้าซื้อที่ต่างประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวท่านทรงสั่งซื้อก็สี่หมืนเศษ คุณโยมปิ่นโพงทองกับคุณน้ำพัยโพงทองร่วมกันซื้อมาประมาณห้า0มื่น 50, เศษซื้อจะตามประเทศคงจะผ่านภาษีมาแล้วแต่ว่าคุณโยมเมื่อกี้นี้ท่านพยายามซื้อมาคือซื้อจากคนอื่นเขามาอทอดหนึ่งท่านซื้อมาจากคนอื่นก็้าทอดหนึ่ง ท่านบอกว่าถ้าจะซื้อมาก็ราคาแสนเศษนี่เป็นความจริงเมื่อบรรดาลญ า, ยาติโยมพุทตบริษัทชายหญิงเกื้อกูลอย่างนี้พระท่านก็พยายามเก็บเสียงเก็บเสียงไว้แล้วก็มีใครแหละอเจ้าอาถวายเทพไปอยู่เรื่อยๆฉะนั้นเทพที่วัดเจรราคาถูกคือเทพที่มีเสียง ยิงมีราคาถูกกว่าเทพเหล่าในท้องตลาดทั้งนี้ก็เพราะว่าต้องการให้ธรรมะเราองค์สมเด็จพระบรมโลกสาธาชมีประโยชน์แกม่มรดาท่านพุทธบริษัทอันนี้ไม่ได้ประกาศขายของนะเล่าให้ฟังถึงความดีของมนดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทที่ทำคุยกันต่อไปท่านกล่าวว่าดูก่อนมานกทรสี่บริการนี้ที่ว่าสาธุนรธรรมนรธรรม คือว่าธรรมของคนดีท่านจงตั้งอยู่ในธรรมนี้เถิดและจงละอาธรรมคือความชั่วเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปความจริงท่านกล้าพูดแต่บางคนอาจจะไม่กล้าพูดอย่างนี้ก็ได้สําหรับท่านปุณณในระยักฟังแล้วก็รู้สึกในความผิดของตนรู้ได้ว่าแท้ที่จริงในวิธุรบัณฑิต เป็นผู้มีอุปการะมากแก่เราเคยให้ข้าวให้น้ำให้ที่อาศัยที่พักแก่เราการที่เราทำความชั่วคราวนี้ก็เพราะว่ากาถนาในหญิงคนหนึ่งเท่านั้นไม่จัดว่าได้ประพฤติเป็นเป็นคนดีเพราะเพราะว่าเมาในกามารมณ์ยังมีความหลงผิด ยิงมีความระพฤตชั่วโดยเมื่อเขาคิดปลางก็ถอนใจไปด้วยความรู้สึกสำนึกตัวในที่สุดจึงในตัดสินใจว่าประโยชน์อะไรกับหญิงคนหนึ่งที่เราจะกลับไปเช็ดน้ำน้ำหนองนะทำไมแต่ว่าประโยชน์อะไรกับหญิงคนหนึ่ง เราจะกลับไปเช็ดหน้านองน้ำตาของชาวอินทรปัตตานครให้เบิกบานเป็นนั้นว่าเขาตัดสินใจว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยไม่เอาละเลิกอีไ ย, ยคนนี้ก็ทําให้เราเป็นคนชั่วเราจะกลับไปเช็ดน้ําตาของชาวมองอินทรปัดให้เบิกบานถ้หมายความว่าจะนําวิตรบัณฑิตไปส่งคืน โดยนำวิทุรบัณดิตนี้ไปส่งที่โรงธรรมสภาให้โดยเร็วที่สุดนี่คิดได้นะมันน่าสรนเสริญเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วเราจะรู้สึกว่าเทวดานี่ก็ยังโง่เหมือนกันนะคือความจริงเทวดาก็ไปจากคนที่สร้างความดีแต่ว่าถ้ายังเป็นเทวดาอยู่หรือว่ายังเป็นพรมอยู่ก็ยังเชื่อว่ามีอวิชชา คำว่าอาวิชานี่ก็หมายถึงความงโง่ที่รู้เท่าไม่ถึงการยังมีอยู่ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้ประเสริฐเทวดาแปลว่าปร ะ, ประเสริฐแต่ก็ประเสริฐไม่ทั่วพรหมแปลว่าประเสริฐก็ยังประเสริฐไม่ทั่วยังประเสริฐไม่เท่าพระอาหารหันต์สำหรับพระอรหันต์บางบางทีท่านตัดอวิชชาได้แต่ความฉลาดก็ยังไม่เท่าพระพุทธเจา้า <c oughs> ฉะนั้นท่านที่ยิ่งลาที่สุดจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าฉะนั้นอาตมาเมื่อเล่าเรื่องราวพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเทศจริงถ้าว่ามีข้อธรรมะที่ท่างที่บายอยู่จึงไม่อยากแทรกเพราะว่ารู้ตัวดีว่ายังโง่อยู่มากเมื่อเขาคิดอย่างนี้แล้วจึงได้บอกกับท่านมิตรบัณฑิตว่าท่านบัณฑิตผู้มีปัญญาสงูง เชิญท่างกลับเรียนของท่านเถอะเราไม่ต้องการที่จะได้นางอดิทันตีแล้วและท่านก็กล่าวถ้อยคําที่เป็นสุภาษิตเตือนใจเรานี่มันดีจริงๆดีอย่างคิดนึกที่เราว่าเราไม่เคยได้ยินมาในการก่อนต่อไปนี้เราไปเราไม่ขอจะฆ่าท่นเลิกหนึ่งเราไม่อยากได้ผู้หญิงคนนั้นด้วย ถ้าเราก็จะไม่ฆ่าท่านโดยตอนนี้มาฟังท่านธรบัณฑิตว่าอย่างไรความเป็นบัณฑิตของท่านท่านธรบัณฑิตจินได้ตอบว่านี่ท่านปุณนะยักหรือท่านมานพบท่านคิดว่าเราไม่รู้จักชื่อท่านอย่างนั้นเลยการเห็นท่านครั้งแรกเราก็ทราบว่าท่านเป็นใครได้ว่าอย่าเลยท่านมานพบ อย่าคิดอย่างนั้นจงนํำข้าพเจ้าไปให้ถึงหน้าควีภพเถอดข้าพเจ้าอยากจะเห็นหน้าควีภพและทิปสมบัติในหน้าควีภพจงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าเถิดนะท่านเล่นธานี้นะหุ่นกลับพับยักษ์ฤทธวดาอยู่หมัดใครฉลาดกว่ากัน เพลนนั้นว่าปุณนั้ น, นก็ยักษไม่อาจที่จะขัดความประสงค์ของท่านมิทุระบันดิตผู้มีอุปการะคนได้จึงได้กล่าวด้วยความสงสัยว่าธรรมดาผู้มีปัญญารู้ว่าสิ่งใดเป็นค่าสิกย่อมไม่ปรารถนาจะเห็นสิ่งนั้นเพราะเหตุใดแล้วท่านจึงได้ปรารถนาจะไปยังสนักนาคบิพภ ผู้ต้องการดรงหาไทยของท่านแน่สวยจริงๆท่านพูดกันสวยรู้สึกว่าท่านเป็นปราดด้กันหังคู่เอาละว่ากันไปเมื่อท่านมีธุระบัณดิติจึงตอบว่าดูก่อนท่านปุ่นในกายความจริงเช่นนั้นนั่นัเป็นความจริงตามธรรมดาปราดย่อมไม่ไปในแหล่งที่มีอันตราย แต่สำหรับข้าพเจ้าไม่ได้ทำความชั่ววนันในที่ไหนไหนหมายความความชั่วเนี่ยไม่ใครไม่เคยทำเลยในชีวิตและในที่ทุกสถานจึงไม่รู้สึกกลัวความตายจะมาถึงเมื่อไหร่และอีกราการหนึ่งท่านก็เป็นผู้กล้าแข็งอย่างนี้ข้าพเจ้ายัางบรรลุบัลลมให้ใจอ่อนลงได้ด้วยธรรมคาถา สำหรับพยานาคนั้นก็คงไม่มีอะไรยากเป็นหน้าที่เองเข้าไปเจ้าเองที่จะเล่าลมให้อ่อนให้ใจอ่อนลงท่านจงพาเข้าไปเจ้าไปที่นั้นเถิดแหมสวยๆนะพูดกันอย่างนิ่มๆนนนนน่ารักท่านบุณละกยักษ์จึงได้ให้ท่านมีธุรบัณฑิตขึ้นนั่งบนหลังมาอาชาในพาตรงไปยังหน้ากระวิพกทันที ตอนนี้ก็สงสัยนะเท <c oughs> วาดาเขาไปไหนเขาก็หอะได้ทำไมต้องมีม้าขี่ตอนนี้ก็ต้องว่ากันถึงบุญบา ร, รมีในการสร้างมาในการก่อนเขาคงจะถวายม้าไว้ในพระพุทธศาสนาหรือว่าใช้หรือว่าเขาเคยเป็นม้าให้คนขับขี่หรือว่าจะใช้ม้านี้สำหรับในการทรงเคราะห์คนบุญกุศลจึงบรันรดาลให้มีม้าทิพ อันนี้อาตมาก็ไม่ขอที่บายอีกแค่ที่กล่าวมานี่ญายโยอย่าเพิ่เชื่อนะอาตมาคิดค่ายเขนียเท่านั้นประเดีย๋ยวจะหาว่าไปตู่คําสั่งส อ, อ, งองนพระองค์สมเด็จพระทรงทันดีไม่ดีอาตมาจะไปอยู่กับพระเทวทัอตอาตมาไม่เอาระ ก, กลัว่าเป็นว่าตอนนี้ไปก็เมื่อพยานนาถทั้งหลายเห็นปุณณกยักมายิงได้ทักทายก่อนแล้วว่า เจ้าไปมนุษสโลกมาได้หัวใจวิทุรบัณดิตหรือไม่หรือว่าเจ้าเอาตัวมาได้เลยท่านปุณกะยักษ์เนตว่านี่ฉันเอาตัวมาเลยเจ้าค่ะนะเอาตัววิทูรบัณดิตมานะสำหรับวิทูรบัณดิตนี่เป็นผู้แสดงทมภาัเราะมาอยู่เฉพาะตรงบัพขนี้แล้วนี่นั่งลงตรงนี้แล้ว คนนั่งอยู่คนหน้าในดับพระเจ้ า, าค่ะคือวิทูลบันดิตขอพระองค์ทรงทราบถิดว่าการสมาคมกับสัตว์รุษเป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญพระเจ้าค่ะแน่ปุนละกยักษ์นี่ก็นักปราดไม่ใช่น้อย <c oughs> ท่านเป็นเทวดาคำว่ายักษ์แปลว่าผู้บุคคลคนบูชานะไม่ฮิยักษ์ทศกันมีเขียว ต่อไปท่านพญา น, นาคได้ทอดพระเนตรี่มิทุรบัณิตแล้วก็ตัสถามว่าดูก่อนท่านบัณิตท่านถูกนำมารยา้ากับภพนี้ก็นับว่าตกอยู่ในอุ้ง ม, มือของมรมรตยูแล้วหมายความตกอยู่ในอุ้ง ม, มือของพระเจ้ายข้าแล้วเหตุไรท่านจึงไม่กลัวแล้วก็ไม่ถวายความวาเคารพขบจ้า อาการที่ทําเช่นนี้ไม่ใช่อาการของคนที่มีปัญญาเลยเอาโต้กันอีก <c oughs> ตอนนี้มาสู้กันอีกได้วาะทะท่านวีธุรบรรัณฑิตก็ตอบว่าข้าพเจ้าไม่ถวายบังคมพระองค์ก็พระว่าข้าพเจ้าไปเสมือนนักโทษที่กําลังที่จะถูกฆ่าเออฟังให้ดีนะพระองค์ก็เป็นเหมือนเพระเจ้าฆ่า นักโทษไม่ต้องการจะกราบไหว้พระเจ้าคายและพระเจ้าคาก็ไม่มีอำนาจที่จะบังคับให้นักโทษกราบไหว้เพราะว่าการกราบไหว้นั้นไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเลยนี่หมายความว่าจะไหว้ก็ตายไม่ไหว้ก็ตายจะไปไหวก็นทำไม <c oughs> ในเมื่อคนหนึ่งประกาศตนเป็นศัตรูหวังจะฆ่ากันแล้วถ้าจะไหวมันก็เสียมือเปล่า การไหวเนี่อยอภิจายนักกรรมคำกรรมคือการอ่อนน้อมที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าวรรณกูปทิวันทนังผู้ไหว้ ย, ย่อมในการได้รับการไหว้ตอบผูบูชาและปฏิบูชังผู้บูชาได้การบูชาตอบแต่การที่คนที่จะถูกประหารชีวิตไปไหวเพื่อคาดไม่มีการได้รับการไหว้ตอบก็ไม่ไหวซะดีกว่า พยานานาคในฟังก็พอประทัยในคํากล่าวนั้นจึงได้ตัดว่าจริงๆ จ, จริงเลยนะนักโทษต้องไม่กราบไหว้พระเจคาค่าได้พระเจคาค่าก็ไม่พึงบังคับให้นักโทษกราบไหว้เพราะว่าจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรในการไหว้เสมอเลยการกราบไหว้ระหว่างเขา ห, หมดความหมายจริงๆเอทั้งกัลโร วิธูระปนิตเห็นพยา น, นาคคล้อยตามยิงได้สักถามว่าค่าแต่พยา น, นาควิมานนี้ก็ดีความมีฤทธ์ ก, ก็ดีรัศมีกายแอนุ่งเรียงและทิประสมบัติทั้งหมดก็ดีพระองค์ได้มาอย่างไงเกิดมีขึ้นมาตามระดูการหรือว่าใครให้ทรงสร้างเองหรือเทวดานิรมิตถวายพระเจ้าค่ะ เอาละสิตอนนี้เล่นกันอีกแม่ดีจริงๆริ <c oughs> เรื่องนี้ดีจริงๆริงโอ้ท่านญาน่าจะนี้ตอบว่าดูก่อนท่านบัณฑิตเราได้มาเพราะผลบุญของเราเอง <c oughs> การที่จะได้วิมานคนดีได้ที่ประสมบัติคนดี <c oughs> การมีฤทธิ์คนดี <c oughs> ท้งหมดนี้ไม่มีใครสร้างให้เราเราสร้างด้วยความดีที่เราสร้างเราได้มาด้วยความดีที่เราสร้างไว้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ เอาละข้อนี้ตกหลุมนะถ้าเล่นเสียตกถังเอาพยานหน้าก็ตกถังผมนี่ขน้นี้ท่านเก่งจริงจริ ง, รงถ้ามีธูระบัณฑิตจึงได้ถามว่าพระองค์ทําบุญอันใดไว้พระเจ้าค่ะจึงได้มีวิมานนะมีฤทธิ์และมีรัศมีอันรุ่งเรืองประเภทนี้ท่านพยานหน้าได้ตอบว่าดูก่อนบัณฑิตเราได้ถวายทาน ให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยแก่สมณะชีพรามในสมัยที่เป็นกระดุมพีอยู่ในเมืองมนุษย์เราได้ถวายทานโดยเคารพยิงได้ที่ประสมบัติเห็นป่านนี้แหนสวยจริงๆนะ อ, อแล้วก็ท่านตัดต่อไปว่าท่านตรัสนะว่ตอนนี้เขากล่าวว่าท่านพระยานาค รักอย่างปีติในผลบุญที่ตนได้รับหมายว่าการทําบุญตามที่กล่าวมาแล้วในหนึ่งได้ถวายทานให้อาหารให้ที่อยู่กสมณชีพราหมณ์ในสมัยที่เป็นโคนพีความจริงท่านไมีมอารมณ์เป็นทิพทานาลักษชาติได้เราได้ถวายทานคนดูเคารพจริงได้ที่ประสมบัติแห่งปัณณ น, นี้ทั้งกล่าวอย่างภาคภูมิใจ แต่การภาพภูมิใจของท่านตกหลุมพรางป๋องเป็นนั้นว่าท่านมิถุรบัณฑิตจะย้อนีขานี้ย้อนถ้าก็ น, นั้นพระองค์ก็ทรงทราบเรื่องกรรมและผลของกรรมดีนะขอพระองค์ทรงเป็นผู้ไม่ประมาทและจงประพฤติรมให้ได้แล้วก็เ ส, สเด็จเสด็จอยู่ครองวิมานนี้ต่อไปเถิดพเจ้าค่ะเออ ไอ้ลูกไม่อันนี้ต้องฟังเนี่ยท่านย้อนพับเข้าไปแบกนั้นว่าถ้าอย่างนั้นพระองค์งก็จงทรงทราบก็ทรงทราบเรื่องของกฎของกรรมดีและผลของกรรมขอพ ร, ร, ระองค์งจงทรงเป็นผู้ไม่ประมาทเพื่อพิธรรมให้ได้เสด็จอยู่คลองวิมานนี้ต่อไปเถิดเนี่ยมีความหมายนี่ลึกๆอยู่นะ ฟังให้ดูให้ลึกๆถ้าคิดฆ่ากันแล้วก็ไอ้วิมานนี้มันจะไม่มีโอกาสจะได้ครองสิ่งที่จะได้ครองใหม่ที่มันใหญ่โตกว่านี้ก็คื อ, อนรกท่านพย า, ยา น, นาคในแต่าดูก่อนบันดิตในหน้ากบิภพนี้ไม่มีสมณพราหมณ์ที่จะบำเพ็ญทานโดยเคารพเลย เราจะประพฤติได้อย่างไรเดี๋ยวเยวจะประพฤติความดีได้อย่างไงเนี่ยในเมื่อเขาไม่มีที่จะทำบุญโอ้โหนี่ความจริงพยานน่าก็เก่งนะไม่ใช่ท่านไม่รู้ท่านรู้ท่านย่องไปรักษาวโบโสถเรื่อยแต่ว่น้ตอนนี้ปัญญาท่านโง่ไปนิดที่เมียบอกว่าต้องการหัวใจของมิถุรบัณดิต แต่นางมิมาลาก็บอกแล้วว่าต้องการหัวใจของวิทูบมณฑิตโดยที่วิทูบมณฑิตไม่มีอันตรายแต่อย่าลืมไปว่าเทวดาหรือนากก็ยังมีอวิชาครอบงมจิต <c oughs> จิตยังไม่พ่องใสจิตยังไม่สะอาดแท้ยึงไม่เข้าใจเป็นน้ำผัวนี่โง่กว่าเมียลูกโง่กว่าแม่ลูกเขยโง่กว่าไม่ใหญ่ <c oughs> ว่ากันไปว่าถ้ามีธุระบันดิติในกล่าวว่าในนาคกวิภพนี้ไม่มีสมณพราหมณ์แต่ก็มีนาคบริษัททั้งที่เป็นโอรสและพระชายาที่เป็นมิตรเน่าบอกว่าไอ้บุญเนี่ยถึงแม้ไม่มีพระก็ทำได้มีมิตรลา ม, มาดเสนาข้าเฝ้าขอพระองค์จงมีพระเมตตาทั้งทางกาย ทางวาจาตลอดจนทางใจไม่ทรงประทุษร้ายใครในนากคบริษัทเหล่านั้นเช่นนี้พระองค์ก็จะได้ทรงเสด็จอยู่ในวิมานนี้ตราบเท่าสิ้นอายุของพระองค์และก็มีความอยู่นานๆกว่านั้นยิ่งกว่านั้นยังจะได้เสด็จไปสู่เทวโลกที่สูงกว่านาคพิกขนี้อีกพระเจ้าค่ะอันแน่ ว่าสวยปัญานักมาได้ฟังแล้วก็พอกระถายมากที่ได้ตัดถามต่อไปว่าดูก่อนบัณฑิตพุนณกนยักษ์จับตัวท่านมาได้ยังไงแกตอบดีแล้วไม่ดีบรรดาญาติโยมพู้จบริษัททั้งหลาย <c oughs> ปุนณกยเพท่านวีทูลบัณฑิตจะตอบแล้วไม่ตอบ มองดูเวลาตอบไม่ได้เสียแล้วที่บรรดาญาโยมทั้งหลายเอาไว้ฟังคำตอบกันวันต่อไปข้างหน้าก็แล้วกันนะเพราะว่าเวลานี้หมดเวลาเส็จแล้วต้องขอภัยด้วยช่วยให้ภัยัสตะมาด้วยแต่ความจริงอยา่ให้ญาโยมฟังให้จบเรื่องภายในวันเดียว <c oughs> แต่เวลาไม่อํำหน่วยอันนี้ก็ต้องขอลา ก, ก่อนขอความสุขสวัสดิภิพชนะมงคลสมบูรณ์ผนผล จงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตเป็นธรรมผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี